พวกเราก่อนาค่อยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะดีตัวที่จะทำให้เราพ้นได้จริงๆคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิจริงๆนันก็คือการที่เราสามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองเป็นไตรักษ์ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราพอปัญญาแก่รอบก็ทำลายความยึดถือในใกายในใจนี่เป็นอนาจของปัญญาทั้งสิ้น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 ใจก็จะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะพอเข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะเวลาเราย้อนมาดูกายดูใจนะจะเห็นกายเป็นเปลือกอะไรอันหนึง่งก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นคนข้างนอกก็เป็นเปลือกแต่ละอันกลวงกลวงข้างในกลวงกลวงเพราะจิตใจอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราเนหะ็นแล้วมันกลวงกลวงไปหมดมเห็นความว่างที่ครอบกลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ น, นี้ความว่างนี้เป็นมหาสุญญตาไม่ใช่ความว่างแบบช่องว่างพวกเรายังไม่เห็นบุถุชนจะไม่เห็นความว่างชนิดนี้แค่รู้สึกรู้สึกพอพอรู้สึกได้บ้างอย่างเวลาเราไปอ่านหนังสือเซนนะบางทีเรารู้สึกแปลกแปลกใครเคยรู้สึกไหมเวลาไปอ่านหนังสือของเซนใจจะรู้สึกแปลกแปลกเหมือนมองโลกแล้วมันหมูงหม่งไงชอบกดอันนั้นคล้ายๆหรอกพอคล้ายๆ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 ที่หลวงปู่สุวัตท่านเคยเล่าท่านด่าตัวเองเลยว่าทำไมมันโงนะ่ในการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะคอยรู้กายก็รู้ใจได้จิตใจที่เป็นกลางไม่จิตใจที่เป็นตัวของตัวเองได้จิตใจที่ตื่นขึ้นมามีความอ่อนโยนมีความเบามีความนุ่มนวลสบายสักว่ารู้สักว่าเห็นปล่อยให้กายทำงานไปปล่อยให้จิตทำงานไปมีสติตามรู้ไปอย่างห่างๆตามรู้ห่างๆไม่ได้เข้าไปเพ่งช่องเอาไว้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 จะทําได้ด้วยความขยันขันแข็งกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ําไปทำเรื่อว่าคนปกตินะอย่างหลวงพ่อเวลาทํางานนะเราดูข้อมูลเราจะเขียนอะไรเปเปเป้เปเปสักชิ้นหนึ่งเนะี่ยเราดูข้อมูลทีเดียวเสร็จแล้วไม่ดูอีกแล้วไม่วางพลัที่จะเขียนเดินไปที่คอมพิวเตอร์คจริงไม่ได้เดินเนะพราะที่โต๊ะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยก็เนขะียนออไปเลย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 เอางั้นแม่คุณก็ไปภาวนาที่บ้านสิไปกินกันเดินเขาก็ต้องทํางานนะเพราะงั้นถ้าเราภานาเป็นเนี่เราจะไม่ขี้เกียจหรอกขยันทํามาหากินนะแต่เรารู้ว่านี่เป็นงานอาศัยท่าเนเงเพื่ออาศัยอยู่กับโลกเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวของเราไปงานหลักของเราจริงๆคืองานที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ความทุกข์ตามบีบคั้นเราอยู่ตอลอดเวลาหลวงพ่อแก่มาป่านนี้นะหลวงพ่อได้เห็น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 ไม่รู้ว่าลูกหลานะมันรักเราจริงหรือว่ามันอยากมาได้มรดกว่าชีวิตนะ่ะทําไมมันเต็มไปด้วยปัญหานะตั้งแต่เกิดจนแก่จนจะตายมิตายแหละนะ่ะะก็ยังชีวิตหาความสงบสุขแท้ๆไม่ได้เลยไม่เหมือนผู้ภาวนานะรู้จิตรู้ใจตัวเองปล ด, ดปล่อยจิตใจตัวเองเป็นอิสระขึ้มนมานะมีความสุขนั้นงานหลักของเราจริงๆคืองานช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ทาวรวณนะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์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 เราถือไว้นะโอ้ยทำยังไงจะหลุดวะพอมันจะหลุดจริงก็รีบไปประคองไว้อีกเนี่ยจริงง่ายนิดเดียวนะนแค่นี้เองง่ายจริงๆนะไม่ใช่โฆษณาหรอกคนที่เขาทำผ่านมาผ่านมานะเขาก็อุทานทุกคนแล้วมันง่ายแค่นี้เองนะมันง่ายจนเรานึกไม่ถึงก็แค่คอยรู้กายแค่คอยรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งมันหลุดพ้นของมันเองมีเท่านี้เอง งั้นตั้งอกตั้งใจนะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วใหญ่ขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเนี่ยเป็นคําที่แสดงหูหลงพ้อที่สุดเลยได้ยินลูกสิธย์มารายงานว่าหมูนี้ขี้เกียจและอยากดีออกจากวัดไปเลยไม่ดี ด, ด้วยนิ้วหรอกนะมันเหมือนคนไฟจะคลอกตายอยู่แล้วนะข อ, อนอนอีกหน่อยนะไฟเพิ่งถึงรัวบ้านยังไม่ขึ้นหลังคาเหือนขอนอนอีกนิดนึง ไม่ง่อแล้วจะเรียกว่าอะไรงั้นเดกขี้เกียจ น, นะอดทนความอดทนของผู้ปฏิบัติเนี่ยสําคัญมากพะเราเรียนจนเรารู้หลักแล้วต้องอดทนในการปฏิบัตินะ่ต้องอดทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์บางคนสอนให้นะเสียใจนะเสียใจรุ่มใจอะไรเงี้ยบางคนสอนให้โมโหก็มีนะโมโหพ อ, อไม่บอกให้ก็โมโหอีกนะ นีเอาใจยากนะโยมอ่ะงั้นรวมความไม่เอาใจละใครทนได้ก็ทนนะใครทนไม่ได้ก็ไปเรียนที่อื่นใครทนไ ด, ได้ก็ได้แก่นครูชาบอกเราจะนวดพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นมอมนวดดินทุบแล้วทุบอีกนะทุบด้วยมือเหยียบซื้อเท้าตช่วยกันมืออย่างเดียวเหนื่อยนวดนวดนวดใครทนได้ก็ได้แก่นงั้นอันแรกเลยต้องทนต่อการที่ครูบาอาจารย์จําจีจําัยให้ บางทีก็ถูกดุถูกด่านะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนที่มาใหม่ๆหลวงพ่อยังไม่ดูหรอกคนมาใหม่ๆมาถามหลวงพ่อว่าหนูภาวนาดียังดีดีดีที่มาถูกนะแล้ตั้งแต่มาถูกที่ก่อนมาเรียนต่อไปวันนี้นี่จับเวลาแล้ววันนี้มีสติแปดครั้งโอ้ดีมากเลยนะดีมาก อีกวันหนึ่งมารายงานได้สิบกครั้งแล้วโอ้ดีมากปากเก่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหนไหมแต่ถ้าคนที่เรียนเก่าๆจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดทําอะไรก็ผิดนี่แต่ผิดผิดผิดไม่มีถูกหรอกเพราะว่ายงินซีอ่อนเราก็ต้องโอ้ไว้ก่อนนะถ้าอินซีแก่กล้าหรือว่าอินซีอ่อนแต่ใจเข้มแข็งนะก็ต้องเรียนอีกแบบหนึ่งเข้มแข็งนะแล้วก็อดทนต่อการสั่งสอน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 อดทนต่อกิเลสอันหาที่ขุ่นขามจิตใจต้องอดทนใช้ทนได้ก็ได้แก่นใครทนไม่ได้ก็แพ้ไปเมื่อก่อนมีคนเขียงกลอนไว้นะบอกใครไม่ใครไม่ทานพอประกบก็หลบไปประกบสู้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ก็หลบไปก่อนหลบไปไหนถ้าหลบแรงหน่อยก็ลงอบายไปลงนรกไปมีเรื่องมีแรงก็กลับขึ้นมาใหม่มาเป็นเปรต มันเป็นเปรดมันเปน็นสุรกายมันเป็นเดรัจฉานอะไรพัฒนาขึ้นมาโสดทนนะโสดทนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอจารย์ก็ทนเหมือนกันแต่ไม่ทนเข้ารุ่นครูบาจารย์หรอกในทางร่างกายเนี่ยพวกเราสะดวกสบายมากแต่ก่อนครูบาจารย์จะไปเรียนอย่างหลวงปู่ทั้งหลายท่านจะไปเรียนจากหลวงปู่มั่นท่านเดินนะหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่มีอุปรกรณ์ไอจีอะไรจะช่วยเช็คเลย มีแต่เท้าเท่านั้น่ะเดินเท้าหาไปมีปากเที่ยวถามเข้าไปเรื่อยๆหากันเป็นปีๆว่าจะไปเรียนมารุ่นหลวงพ่อก็ง่ายหน่อยเรารู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ที่นี้นะขึ้นรถทัวร์ไปต่อรถยนต์ไปหมดทางรถยนต์ก็เดินเข้าไปไม่มากเท่าไหร่อย่างมาน ก, ก็เดินครึ่งวันเนี่แล้วก็ต้องทนนะนที่ก็ไม่มีไม่มีข้าวจะกินนะเคย ทังในหินปักเป้งวัดใหญ่ๆมีโรงครัวเนี่ยไปแรกๆไม่รู้จักใครตอนเช้าพอถวายอาหารท้าเสร็จปุ๊บ ก, ก็ทําวัดกันสวดมนต์ไปท้าชันอาหารนะท้าชันอาหารเราก็สวดมนต์นนะกะ ว, ว่าสวดเสร็จแล้วจะลงไปกินข้าวยกไปแค่ยกไปสาลายอย่างเงี้ยพอสวดเสร็จลงมาไม่เหลือละเพราะคนที่ไปวัดนะคนใหญ่คนโตเยอะมากเลย มีคนใช้ไปด้วยตัดใส่เป็ิโตผิดเกลี้ยงเลนอะหม้อหายอะไรก็เก็บไปหมดแล้วนะเขาไม่มีเหรอไม่มีก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีก็เดินตับขึ้นมาบนสไลม์มานั่งภาวนาอนะไรอเงี้ยหลวงปู่เทศท่านเห็นนะท่านปวักมือเรียกเลยท่านส่งบาทของท่านให้ให้กินอะ น, นี้นะพอท่านส่งบาทเรารับมาเนอะมีของกินมือมหัศจรรยนะ์รอบทิดเลย พวกนี้อยากได้ของขลังพวกนี้ไม่ได้อยากได้อาหารเราต้องการอาหารนะเขาต้องการของพิเศษนะปุ๊บับปุ๊บปัข้าวหลังไปนะหาขนมขนมลูกสาวอะไรเวกนี้ไปกาเลยเราจะไปอยู่กี่วันนะต้องกินนะพยายามกินให้น้อยที่สุดนะกินมื้อละสามลูกลูกตัวแค่เนี้ <laughs> นะงั้นกี่วันวันละกี่ลูกคํานวณออกมาแล้วก็เอาไป ลำบากลำบากก็ต้องเอาอยากได้ธรรมะบางทีเข้าไปถึงตัวท่านท่านก็สั่งพระไปจัดกุฏิพระให้หลวงพ่ออยู่ถ้าพระอุปถัมภ์ข้างบ้างท่านก็ไปจัดให้ท่านไม่บ้างท่านบอกเราให้ไปบอกพระที่ภุมกุญแจัยพอไปบอกนะพระนั้นก็บอกไม่จาเป็นหรอกไปอยู่กุฏิรวมก็ได้นี่ยมีสมภารองที่สองขึ้นมาแนละ้วะ เราก็ไม่ฟ้องหลวงปู่นะก็ไปนอนให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปต้ออดทนนะทนถ้าเราบอกว่าหลวงปู่สั่งท่านจะแน่สักแค่ไหนเนี่ยท่านกระเด็นเลยนะพระขัดคําสั่งครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่วัดป่าไม่ได้เลยกระเด็นเลยแล้วก็เฉยๆปรากฏว่าพวกรถทัวร์มาเยอะแยะเลยพวกอรหรันต์ทัวรัวร์ทัวรหลายๆวัดนะนะวัดโน้นวัดนี้นะโซเซเข้ามายามเย็นยามค่ำโห้ยกินเหล้ า, มาเมาแหมมาดูมาเอาบุญนะ เอาเหม็นหึงมาเลยน้ำท่าก็ไม่อาบนะ <c oughs> นอนก็คล้มคลองโกลาภเราทนไม่ไหวเราก็ต้องไปอยู่ที่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่อะไรงี้ไม่เคยปีปากบนกับครูบาอาจารย์เลยเราจะไปาธรรมะเราจะเอาทุกอย่างเลยเหรอต้องยอมลำบากต้องกล้าที่จะลำบากบ้างงั้นอย่างมีพระนะพรามาอยู่มาเรียนกับหลวงพ่อเยอะบางวันมีเป็นสิบสิบองค์ ท่านก็ไปเที่ยวอยู่รอบๆบนี้ความจริงวัดกรรมฐานไม่ได้รับพราเยอะหรอกตั้งแต่สมัยหลกงูมั่นก็ทําแบบนี้พระจะไปอยู่รอบๆอบถึงเวลาเข้ามาเรียนมารวมกันอยู่ร้อยองค์จะทําไงใครจะไปเรียนกรรมฐานได้อยู่กันอยู่คอนโดองี้แปลกอยู่อย่างนี้นอยู่กันเยอะแยะลําบากไม่เป็นไรยงมีองค์หนึ่งท่านลูกศิษย์อาจารย์ทุยูกศิษย์หลวงพ่อทุยท่านไม่ไปอยู่วัดอื่นเลยท่านไปผู ก, กรดอยู่ใต้ต้นไม้ ต้นไม้แถวนี้ก็ไม่มีที่อยู่กลางแจ้ง่งชาวบ้านาก็ไปสร้างกระต๊อบให้เนื่อลําบากนะลำบากท่านมาเอาของดีได้ของดีติดเนื้อติดตัวกลับไปอย่างเงี้ยคุ้มอย่างวัดหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อรับพระทุกองค์ที่มานะ่ทํากุฏิร้อยหลังก็ไม่พอหรอกไม่กี่วันก็เต็มแนละ้วก็ต้องเวียนกันอย่างเนี้ยอยู่รอบๆแล้วก็เข้ามาเรียนวัดไหนเขาให้อยู่ก็อยู่ เขาไม่ให้อยู่นะก็ไปอยู่วัดอื่นไม่มีวัดอยู่ก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามต้นไม้นะก็ต้องฝึกเป็นอย่างนั้นคารวะก็ไม่ลําบากเท่านั้นนะนอนซิลีนเฟสบ้างนอนบางระบ้างนะมีสตางค์ทุกอย่างถ้าไม่มีนะลําบากกว่ากันเยอะแต่ว่าอดทนนะอดทนคุ้มที่สุดเลย เราอยู่ในโลกเราก็ต้องอดทนตั้งมากมายแต่ว่าอย่างอดทนทํามาหากินได้มาใช่ไหมแล้วก็หมดไปก็ต้องอดทนทําอีกไม่รู้จักจบสิ้นนะงานในโลกไม่มีจบสิ้นอดทนในทางธรรมมีที่สุดนะมีที่สุดมีแจ็คพอตนีอะไรเป็นแจ็คพอตมัม้ยนิพพานอย่างเราภาวนาไปจนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะรอวันนิพพานเหมือนคนซึ่งทํางานเสร็จแล้วรอรับค่าจา้าง มีแจ็คพอตอยู่ตรงนี้เราฟังแล้วเราสยองเลยใช่ไหมสุดท้ายตายดีกว่า <c oughs> พวกเรายัางไม่อยากตายเพราะว่าเรารักในขันนี้มากมอเห็นว่ามันมีความสุขถ้าวันหนึ่งเห็นรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราจะไม่ห่วงหรอกนั่น <c oughs> อยู่ที่ปัญญานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอนาแล้วจะชีวิตเฉียวแห้งไม่ใช่ ยิ่ปฏิบัติจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับลําดับไปนะมีความสุขมากจริงๆคนไม่เคยมีศีลมีศีลขึ้นมาก็มีความสุขนะเคยไม่เคยทําทานทําทานขึ้นมาก็มีความสุขนะคนไม่เคยมีสติมีสติขึ้นมาก็มีความสุขไม่เคยมีสมาธินะมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขนะมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตยิ่งมีความสุขใหญ่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 ลองไปดูศีระครูบาอจารย์นะยิ่งแก่ยิ่งดูผ่องใสรู้สึกไหมถ้า น, นอนบางองค์นะนอนอยู่บนเตียงกระดิกไม่ไหวละโอ้ยผ่องใสยัางงามคาราะไม่ทันจะแกะ่ส่วนมากก็ตายซะก่อนะสังเกตไหมผู้ชายแก่ๆนะมีแต่พระนะคารวะแกะ่ๆที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยมีหรอกตายเร็วเอาแรงไปทําชั่วหมดเลย แรงไปกินเหล้าเมายาบอนโลกมาก็ต้องดูโต้รูปไม่ตายเหลวได้ไง mm hmm. ไม่เหมือนคนภาวนานะภาวนาใช้พลังงานไม่มากมีความสุขไม่ค่อยสึงเอาหัดรู้สึกตัวท่านแรกท่านแรกสุดรู้สึกตัวใจลอยชับเผลอชอบใจลอยเผลอไปใจลอยไปเ ร, เรียกขาดสติ วิธีที่จะให้รู้สึกตัวก็คือพอใจเราลอยไปปุ๊บรีบรู้ทันว่ามันใจลอยไปแล้วเผลอแล้วรีบรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื enfin ่อยๆนะพอไม่เผลอมันก็รู้สึกนะพาไม่เผลอมก็รู้สึกตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาพอรู้สึกตัวเรารู้อะไรก็รู้สึกตัวเสยอะไรที่เรียกว่าตัวเราบ้างก็กายกับใจก็รู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจรู้สึกไปเรื่อยๆพอรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจต่อไปก็เห็นความจริงของกายของใจ ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวคนเนี่ยหว่าร่างกายมันเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยกินอาหารแล้วก็ขับทายดื่มน้ําแล้วก็ไปเฉี่ออกไปอะไรเนี่ยมีธาตุหมุนอยู่อย่างเนี้หมุนเวียนตลอดเวลาร่างกายจริงๆเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่า น, นั้นเองแล้วเป็นที่ที่จิตมาอาศัยอยู่ช่วครั้งช่วคราวส่วนจิตใจเป็นของไม่เที่ยง จิต ใ, ใจไม่เที่ยงจิต ใ, ใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเป็นทุกข์ด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นเป็ ก, ก้อนา้าเราก็ยเห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอ ย, อยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใครอยากรู้ว่าหายใจออกทุกข์ยังไงลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะเดี๋ยวก็รู้เองนั่งอยู่ก <arc> ็ทุกข<ๆ><ๆ>์ใครอยากรู้ว่านั่งแล้วทุกข์ยังไงก็นั่งไปเรื่อยๆอย่าลุกนะเดี๋ยวก็ทุกเองนะกินก็ทุกข์นะ ลองกินไปเรื่อยๆไม่หยุดสิทุกไม่ทุกเดี๋ยวก็รู้ละเห็นไหมถ่ายไปเรื่อยๆไม่หยุดก็ทุกอีกนะเห็น<ม>ไหมเนี่ยร่างกายมีแต่ตัวทุกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะแต่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดส่วนจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจิตใจก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้นะจงเป็นสุข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 ถ้าเติบตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ชี้ให้ดูไม่มีหรอกความสุขเนี่ยมาขอความสุขเลยพระยังไม่ได้มีความสุขเลยพระยังทุกข์เลยเนี่ยมาขอความสุขแก่พระเคมีพระองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อเที่ยงอยู่ม่วงชุมวัดม่วงชุมที่เมืองการท่านไม่อยู่ละมีคราวหนึ่งพวกทหารเนี่ยก็จัดพิธีพุทธาพิเศษ น, นิมนต์พระอาจารย์มาเยอะแยะเลยหลวงพ่อเที่ยงเข้ามาด้วย มีนายทหารคนหนึ่งนะครานกระตุกกระตุกบเขาไปกราบหลวงปู่ครับขอพรขออะไรผมว่าเป็นพันเอกพิเศษมานานแล้วไม่ได้เป็นในพลสักทีมึงโง่อย่างเงี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ <shorter> ต้องไปขอนายมาขอพระแล้วมันจะได้อะไรอ่ะเออแก็พิงขึ้นมานะแกไปขอนายแกเลยเป็นปนายพลไปและ อย่าอย่างงมงายนะอย่างงมงายเหตุเป็นยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นแหละช่วยตัวเองนะแาบพุตค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวรอบสองตรวจกันบ้านนะรอบแรงเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันหมดเสียงแล้วได้เชิญทานข้าว